พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าพระพุทธเจ้าทิ้งทำไมเรายึดติดอ้ษษาวพระนัตตารยาโยมลกลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงพอ่อหลวงตาจะพูดอะไรให้ลูกหลานคณะจัตธาญาติโยมได้ฟังวันนี้เป็นวันที่สิบพฤษภาคมพุทธศักราช2560วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลและเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็สถานีวิทยุและสื่อต่างๆทั่วประเทศก็คงจะพูดกล่าวถึงวันนี้ ก่อนหน้านี้ให้กับพวกเรา ท, ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาและก็ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก mm. เขาก็ได้ประกาศหรือว่าถือว่าประกาศเป็นวันสำคัญเย่ ง, งเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าบรมศาศสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดที่ท่านประสูติคือเกิดตัดรู้คือได้ สำเร็จวิชาความรู้อันพิเศษตัจรุธรรมแล้วก็ได้ดับขันปรินิพานคือตายในวันเดียวกันคือสามวันคือสามการเกิดตัสรู้ปรินิพานคือวันนี้วันเดียววันนั้นถือว่าในพุทธชาวพุทธธรรมบริษัท ท่านจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญจริงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็อยู่ในานามของพุทธบริษัท4คือบริษัทของพุทธพวกเราอยู่ในบริษัทจึงพร้อมใจกันแสดงออกซึ่งเข้าความเคารพกรว ะ, ะต่อศาสดา ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าวันนั้นการแสดงออกเฉยๆเรายัางไม่เพียงพอพวกเราออกแสดงออกทั้งทางกายทั้งวาจาทางกายก็พวกเราก็ได้ทําบุญทําทานอย่างวันนี้อะทางวาจาก็ได้กล่าวคําสมาทานศีลไหว้พระสวดมนต์ทางใจของพวกเราก็น้อมำลำเลิกถึง เอกคุณของพระพุทธเจ้าต่อผู้มีอุปกรณ์ผู้มีพะคุณต่อโลกต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวของเราเองถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นเครื่องยับยั้งทางด้านจิตใจคือจิตใจของเราไม่มีเปลกไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจจิตใจของเราคงจะถลำลึกรืหว่าคิดออกนอกตู้นอกทางทาให้ตัวเองเดือดร้อน ทาให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อคนอื่นเดือดร้อนแล้วกว่าตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนตามมาคนนั้นจึงถือว่าทาหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะเป็นพระธรรมที่นำมาประพฤติธปฏิบัติแล้วทำให้โลกทั้งโล ก, กร่มเย็นเป็นสุขชุมชนในกลุ่มใด ช, ม ช, มชุมชนในยุคใด หรือบุคคลท่านผู้ใดหรือคณะใดหรือบริษัททางร้านใดหรือครอบครัวใดหรือคนบุคคลผู้ใดถ้านำศีลธรรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วชุมชนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมามีแต่ความร่มเย็นผาสุขทั่วนหน้ากันเพื่ออะไรเพราะศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวมีแต่ให้พวกเราอยู่ด้วยกัน อย่างเกิดมาด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละพระพุทธเจ้าทนให้เสียสละนะนการอยู่ด้วยกันต้องเสียสละต้องมีทานะอย่างพ่อแม่มีลูกขึ้นมาก็ต้องให้ทานะให้แก่ลูกให้ความเมตตาให้น้ำให้เข้าน้ำโภชนาอาหารให้อาหารการบริโภคให้ความอบอุ่นกับลูกนี่แหละคือทานะเหมือนกัน อางนั้นพวกสัตว์สาราสิงห์พวกหมูหมากาไก่พวกแมวอะไรก็ตามที่เป็นที่อยู่ใกล้เราเราก็ให้ทานะคือการเสียสละอาหารให้ความเมตตาต่อเขาเขาก็อยู่กับเราด้วยความร่มเยเย็นผาสุกอีกเหมือนกันเพราะทานะคือการเสียสละมันเป็นระดับใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ให้ความรู้กับวิทยาทาน อมิสทานอามิสทานเกิดกว้างขวางแล้วก็ธรรมทานอภัยญทานล้วนแล้วแต่เป็นฐานะทั้งนั้นทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราไม่มีการให้อภัยกันพวกเราคิดดูสิทำอะไรพิจิตริตน้อยน้อยก่อถือโทษโต้เครืงถือพยาบาทอาฆาตกันอยู่ตลอดพวกเราว่าโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขได้ไหม ถาว่าเราให้อภัยกันผิดบ้างทีเขาทีเราบางทีทีเราไปทําให้กับเขาเขาก็ให้อภัยเราบางทีเราพลั้งเผลอไปอเราเขาก็ให้อภัยเราต่างคนต่างให้อภัยกันในครอบครัวในสามีภรรยาในลูกหลานในพ่อในแม่ปู่ย่าตายายต่างคนต่างให้อภัยโยนหยวนกันค่ะ เว้นเสียทว่าเจตนาหรือว่าการทำผิดโดยเจตนาอันนั้นก็ต้องมาพูดกันโดยเจตนาถ้าว่าไม่มีเจตนามันทำเถลไถลไหลออกไปอย่างนี้มันก็ต้องให้อภัยการให้อภัยกันนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งคือให้อภัยทานธรามทานก็คือให้ความรู้แนะนำบอกกล่าวอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะ อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอันนี้เรียกว่ า, านํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกมากล่าวมาประพฤติปฏิบัติแนะนําสั่งสอนอันนี้เรียกว่ารรมัทธ า, าและอามิสทานก็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้าน้ำโภชนาอาหารการสงเคราะห์พ่อแม่ปุยญาตายาย หรือว่าพ่อแม่ปุยัดปุย่าตายายสงฆ์ขอลูกหลานอันนี้เรียกว่าอามิสทานเรียกว่าการทําบุญในพระพุทธศาสนา เ, เพื่อทานะทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระปเจพระพุทธเจ้พพาพระสงฆ์สาวกหรื อ, ห ร, อหรือท่านผู้มีผู้ทรงศิลป์อันนี้เรียกว่าอามิสทานนี่แหละ ว, วิทยาทานก็คือให้ให้ความรู้ส่วนหนึ่ง เป็นวิทยาทานแค่แค่ว่าให้ออสอนวิชาให้ซึ่งกันและกันผูะโลกทั้งโลกมีวิชามากมายการสะเสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพ เ, เรียกว่าเป็นวิทยาทานมีมากอย่างมาหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นวิทยาทานทั้งนั้นนีอันนี้แหะคือฐานะศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ต้องมีกฎ ก, ฎกติกาต้องมีกฎเกณฑ์หรือว่ามีกฎหมายและมีศีลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่พระสง์อย่างไม่มากพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้บัญญัติเรื่องวิ น, นัยเรื่องศีล น, นะเออพราะอลไยเพราะต่างคนก็ต่างอยู่เพราะมันน้อยดูแลกันทั่วถึงอันไหนผิดอันไหนถูกออพระสงฆ์เหล่านั้นก็รู้สำ ม, มันสำนึกไว้อยู่เสมอ แล้วก็พระสงฆ์สาวกในครั้งนู้นกับเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นผู้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลคือสําเร็จอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันอย่างน้อยก็เป็นพระอระหันต์เป็นส่วนมากนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการบัญญัติวินยัยพอพระสงฆ์ต่อมามากขึ้นมากขึ้นนะ อ, อ, องค์นั่นก็ทําผิดองค์นั่นก็ทํำไม่ดีกิริยามารยาทพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสง์เลยก็บัญญัติกฎกติกาขึ้นมาการอยู่ด้วยการต้องมีกฎ กติกาอย่างนี้นะย่าน่ะมีสินเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเหมือนกฎหมายนะเอห้ามไมา่ให้พิสุสงฆ์ทาความชั่วเสียหายเกิดขึ้นในวงการจึงมีสินส2ยีสิดิน227ีไม่ใช่อื่นไกลนะครับว่าสินคานี้นะอนัตธายาติโจมคือกฎกติกาห้ามพระทำไม่ดีนั่นเองคือพระนอกลูกนอกลีธนอกลอย ออกนอกศีล น, นอกธรรมพราะพุทธเจ้าก่เนยเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็ บ, บัญญัติวินยัยคือตั้งกฎกติกาอย่าทำอีกนะอย่างนี้แหละคือศีลเ น, นี่แหละศองร้อี่สิบเจ็ดอย่างน้อยไปถ้าเราศึกษาแล้วศีลของพระเนี่ยเป็นร้อยรพันพันเนีเป็นหมื่นหมื่นก็ไม่ทราบเพราะมากเหลือเกินถ้าเราไปเห็นใ น, น, ในศึกษาในพรไตรปิฎกเพราะนั้นเรื่องศีลของพระก็ น, นี่แหละพระพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมา สำหรับศรัทธาญาติโยมผู้มีภาระมากพระพุทธองค์ก็บัญญัติเพียงศีลห้าแต่เอาเถอะถ้าเพียงศีลห้าเพียงแค่นี้หละก็จะเป็นสิทธิ์ที่คุ้มครองโลกโลกยุกใดสมัยยัดใดถ้าหากว่าศรัทธาญาติโยมเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีศีลห้าเท่านั้นแหละโลกทางโลกโลกในยุคนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะ การที่จะคิดจะทําจะพูดออกไปไม่มีที่ลับที่แจ้งเพราะสินคุ้มครองอไม่เหมือนกฎหมายนะกฎหมายคุ้มครองกฎหมายคุ้มครองคุ้มครองแต่ในที่แจ้งเท่านั้นนะที่ลับเนี่ยที่ลับหูรับตาเนี่ยคุ้มครองไม่ได้คือกฎหมายอพอทําถ้าหาว่าใครก็ตามทําไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เนี่ยก็เลยเครื่องนั้นก็เลยแปลว่าหลบหลบกฎหมายไปได้แต่ศีลธรรมหลบไม่ได้ เห้ยพ่อเห้ยไราะคิดขึ้นมาซะก่อนพอคิดขึ้นมาแล้วก็ทําความชั่วเมื่อทําความชั่วแล้วความชั่วคือความชั่วมันดีไม่ได้เพราะความชั่วเห้ยพ่อเ ห, หรเห้ยพ่อตัวเองคิดซะก่อนจึงค่อยทําจึงค่อยพูดเน่ยเหมือนกับเรานะ่ยคิดจับไฟหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบคิดจะคิดจับไฟถึงจะจับในที่สาธารณะคู่คนเห็นมากๆหรือคู่คนไม่เห็น จับในห้องคนเดียวจับไฟมันร้อนไหมมันร้อนอันนี้ก็เหมือนกันการทำความชั่วของเรานะนะ่คิดก็ดีทําก็ดีพูดก็ดีในที่ลับหรือในที่แจง้งในที่สาธารณะมันร้อนโดยการทั้งนั้นเป็นเป็นไฟนี้ก็เหมือนกันความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าทำจะเลยนะความชั่วอย่าทำเลยดีกว่านะเพราะความชั่วทาลงไปแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ความชั่วเหมือนกับไฟถ้าเราไปจับไฟเข้าไปแล้วเราจะเดือดร้อนหายยาหมองยาหายยาสมุนไพรเอ่มาทามาพ่นเมื่อภายหลังมไมพ่อยังไงพมันไฟทำมากกว่านั้นก่อนเอาเข้าโรงพยาบาลพันด้วยอะไรก็ไม่รู้หนังถลอกเปลาเปิ่เลยนี่แหละสรุปแล้วก็ ค, คือความชั่วอย่าทำเียๆดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผล ตนเองนั้นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือกฎสิ น, นะนการอยู่ด้วยกันแตเ่เรื่องกฎสมาธิเป็นเรื่องกฎทางด้านจิตใจอันนั้นเป็นแนวความคิดนะเนีนะนี่แนวความคิดคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก่อน สอนที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนะ่ท่านจึงใช้หลักนี่แหละชักหลักมักแปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ปรวาจากัมมันตัวอชิววายโมจติส ม, มาธินี่สรุปแรกก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ หลักทมคำสอนศีล ค, คือกฎระเบียบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสมาธิ ค, ค, คือความตั้งใจมั่นคือจิตทำจิตใจให้มั่นคงสมาธิปัญญาก็แยกแยะในผิดในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรไม่ควรจนถึงตัด ก, กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยจออกจากใจอย่างพระอรหันตสาวกนี่แหละหลักทำคาสอนของพุทธะ ถ้าจะพูดไปแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันนะสทาญาติโยมมาแต่แต่เรื่องทานนะการอยู่ด้วยกันถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่มีน้ําใจต่อกันโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงมันจะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ําใจถ้าโลกทั้งโลกไม่มีศีลไม่มีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันก็หาความสงบพัฒสุขไม่ได้อีกเหมือนกันตาจิตใจของเราคิดแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด เห็นการลังแกเบียดเบียนฆ่าผู้คนนะเป็นทางที่ถูกต้องโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงในยุคสมัยนั้นเนะนี่แหละอันนี้ก็เรื่องความคิดจุดนี้ก็เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าให้คิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงถึงปิมิตฉาทิฏฐิจากนั้นก็นํามาแยกแยะดูจิตใจของเรานะอย่าหลงในโลกวัะสงสารจนเกินไปนะใจนะ แต่นี้ให้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงใจเนี่ยใจคือตัวผู้รู้คือนา ม, มาธรรมแต่ทางวิชาทางโลกของเขาเนี่ยเขาเห็นแต่วิชาเขารู้เขียนเป็ดตัวนักเรียนมาแต่วใจมันคิดเรื่องอะไรอันนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้พระพุทธเจ้าท่านให้มีสมาธิแต่เมื่อจิตใจเน่งที่เป็นจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วจะมองเห็นได้ในจุดนั้นคือใจคือตัวนา ม, มาธรรมตัวผู้รู้นะทนี้ เมื่อตัวผวู้รนะู้คิดอะไรใจมันหลงอะไรโดยมากพระพุทธเจ้าถือว่าหลงร่างกายของคนเรานะเป็นส่วนมากเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงเวลานะสมมนเนรก็าตามพระก็ตามเข้ามาบวชนะพระอุปชาจะต้องใกล้ให้กรรมฐานห้าเลยนะเพราะว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องพิจารณากรรมฐานห้านะกรรมฐานหาคืออะไรนะพวกเราก็คงจะ ที่ยังไม่เคยรู้ก็จะรู้ว่ากรรมฐานห้าที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาเมื่อบวชใหม่นั่นคือเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บันตาฟันตะโจหนังเอาทําไมจึงมันหลงพระพุทธเจ้าท่านว่าคนเราเนี่ยหลงร่างกายว่าร่างกายเนี่ยจะอยู่โชกฟ้าดินสลายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตายไม่เป็นเพราะนั้นมันหลงพอหลงในร่างกายแล้วก็หลงในทรัพย์สมบัติ หลงในสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายโยกยายหลงในวัดว า, าศาสนามันหลงไปหมดทีนี้เพราะอะไรหลงว่าร่างกายเป็นของตัวตนของเราเพราะนั้นอย่าคิดว่าร่างกายจะเป็นตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะอีกไม่นานอีกวันไหนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ถึงร้อยปีแต่บางคนก็ร้อยไม่ถึงร้อยิปีร้อยิบปียากมากถ้าใครถึงร้อยยีสปีเราดังไปทั่วโลกนี่แหละโดยมากยังไม่ถึงขนาดนั้น ร่างกายสังขารในมีจุดจบของมันเอถึงจะเลี่ยงดีขนาดไหนก็ถกเอถอะทนุถนอมขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายในถึงจุดจบเเพราะฉะนั้นอย่ารุ่มหลง ม, ม, ม, มัวมาว่าร่างกายเป็นตัวตนของเรานะใจนะใจคืออะไรเมื่อจิตใจผ่านสมาธิจิตใจทําเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจนิ่งสงบแล้วนะเพราะว่าคํานี้เท่า น, นั้นแหละพอนิ่งเท่า น, นั้นเมื่อจิตใจนิ่ง ใจิตใจสงบใจิตใจรู้เท่ารู้ทันรู้ตัวเองใจิตใจรู้ตัวเองจากนั้นก็มองอะมองคนอื่นมองถึงร่างกายพอถึงมองร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนนะใจนะอีกสักวันหนึ่งถึงจะใจจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องถึงจุดจบของมันนะนี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงร่างกายเลยย้อนกข้ามาหาใจย้อนมาหาใจแล้วก็ใจกันดูร่างกาย ขนาดร่างกายตนเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟอีกสักปันหนึ่งข้างหน้าวันนั้นอย่าไปคิดเลยว่าส่วนอื่นอย่างวัดวาศาสนาสาร า, าลังนี้จะเป็นของหลวงพ่ออินพระเนนลูกหลานทุกๆห ล, ลจะเป็นของพระเนนของหลวงพ่ออินไม่ใช่นะหลวงพ่ออินนะอันนี้ขนาดร่างกายหลวงพ่ออินยังจะไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วนี่แหละ อันนี้คล้าๆว่าอุปมาอุปไมยให้คณะจต่าย ญ, ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าร่างกายสังขารในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนี่ท่านไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ประกอบคุณงามความดีถ้าเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นยังไงพระพุทธองค์บอกว่าร่างกายสังขารนี่ถึงจุดจบแต่ว่าดวงปิญญาคือใจคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดหรือว่าสมองน่ะตัวนั้นล่ะ จะไปจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆนะถ้าพวกเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพุทธบริษัทคณะสัตยายาบยมลูกหลานทุกคนนะให้นั่งภาวนาในเมื่อนั่งภาวนาและจิตใจสงบแล้วจะเห็นตนเองในเมื่อเห็นตนเองแล้วก็จะมองเห็นคนอื่นเห็นสิ่งรอบด้านรอบข้างทั้งหมดหเห็นตามความเป็นจริง ออร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติชนิดมิตรสหายวัดวาศาสนาเราจะวางตัวถูกเถอเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงจะโกรธให้ใครก็โกรธไปเพื่ออะไรถึงจะรักใครก็รักไปเพื่ออะไรมากมายนักหนาแต่ถึงอย่างนั้นต้องอยู่ด้วยกันได้ด้วยธรรมโดยธรรมด้วยความร่มเย็นผ้าสุขทีเขาทีเรารักเมตตากันให้อภัยซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธนะนีขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนะี่ยมาสู่วัดวาศาสนามาถึงวันพระอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวให้ลูกหลานคณะศรัทธาญาติโ ย, ยมได้ฟังได้ศึกษาในเมื่อฟังได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นำไปคิดนะท่านนำไปกันตรองตรายตองและก็มีหนังสือธรรมะครูบาอาจารย์ อีกท่านก็แจกอย่างหลวงพ่อวันนี้ก็คงจะมีถ้าว่าศรัทธา ญ, ญาติโยมสนใจนะก็แจกหนังสือธรรมะให้อีกเอาไปศึกษาในเมื่อเราได้ศึกษาเราจะได้รับความรู้แนวความคิดนั่นๆจากนั้นเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติพ่อหลักทำคำสอนของพระพุทธเจา้าในท่านว่าไม่ใช่เรียนเฉยๆนะถ้าเรียนเฉยๆก็ไม่รู้้าประมาณการเดาคาดคะเนไม่รู้ทั้งนั้น ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เหมือนกับเราคิดว่าเอ๊ะอาหารนี่มันคงจะเค็มอย่างนั้นคงจะจืดอย่ น, นีคงจะหวานอย่างนี้เอเราก็คิดประมาณการไปเรื่อยเดาไปเรื่อยคาดคะณีไปเรื่อยอในอาหารในถ้วยชามนะเอเราไม่รู้ทางนั้นแหละพอลิ้นเราไปแตะท่านั้นแหละโอ้ใช่รสอาหารมันเป็นอย่างนี้เองเนะ่ยเราจะรู้ได้ว่าในอาหารในในถ้วยในชามในจานนั้นนะ่ะ มันมีรถอะไรเนี่ยนะผู้เอาลิ้นไปแตะเท่านั้นน่ยจึงจะรู้ได้ชัดเจนนอกจากนั้นไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะไปคาดคะเนประมาณการเดาไปศึกษาเรียนรู้เพราะว่ารู้ไม่ใช่นะต้องผู้ปฏิบัติปฏิบัติทำอย่างไรเราต้องศึกษาจุดนี้ศึกษาตามหลักธรรมพันมีท่านมีช่องทางอยู่แล้วท่านมีแนวทางอยู่แล้วสาหรับผู้ปฏิบัติ จะทำจิตใจให้สงบทำยังไงมีในธรรมเทศนาล้วนแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหนังสือของหลวงพ่อก็เถอะใน M.P. 3ของหลวงพ่อก็เถอะหลวงพ่อพูดมามากต้องมากวิธีการทำที่จะทำจิตใจให้สงบเพราะนั้นพวกลูกหลานคณะรัทธายาตโยมศึกษานะจุดนี้นะเมื่อศึกษาแล้วนะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับเราลิ้นของเรารู้รสอาหาร ในถ้วยในชามในจานนั่นแหละเราจะปร ะ, ประมาณการค่ากระ น, นไม่ถูกทั้งนั้นละ่ะเพราะเราไม่เคยนะถ้าเราเคยเราก็พอจะประมาณการได้แต่เนีท่านเคยแล้วท่านรู้ละท่านก็รู้ได้นะอาหา ร, รยังไงทํำยังไงนี่ก็เหมือนการถักถักทำคําสอนของพุทธะนะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะการศรัทธาญาติโยตอเ น, นื่องไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตนีน่าและก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกระคุณสําหรับพวกเราอย่างที่ทา ย, ยกได้พูดได้กล่าว พ, พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคนาญาติญาติมิตรสหายเจ้า ก, กรรมนายเวรทรัพยสัตว์ทั้งหลายท่านดวงวิญญาณใดที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนได้ก็ให้มารับส่วนบุญเข้าไปเจ้าจินดีกุทิส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณเหล่านั้น